Life in the World unseen ซึ่งเรียบเรียงโดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียต่อจากตอนที่แล้วตอนที่11งานก่อสร้างบ้านและอาคารในโลกทิปในโลกทิปของเรานอกจากจะมีภูเขาลำเนาพลอันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วยังมีสิ่งก่อสร้างเช่นโบสถ์วิหารและตึกราม เพื่อประโยชน์ต่างๆกันอยู่อีกไม่น้อยแต่ทว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั้นมีความแตกต่างกันกับสิ่งก่อสร้างในโลกมนุษย์อยู่มากคือตึกรามและโบวชวิหารของเราไม่มีวันชำรุดสุดโทมหรือคร่ำคล่าดังในโลกมนุษย์เลยวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัตถุที่ไม่มีการผุพังผิวพื้นหน้าของหินในวันเริ่มแรกของการก่อสร้าง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 เราก็มีเรื่องละครตลกแสดงเหมือนกันและข้าพเจ้าก็ขอบอกว่าพวกเราชาวโลกทิพย์ยังเป็นพวกที่หัวเราะเป็นและหัวเราะได้อย่างคลื่นเครง่งมากกว่าชาวโลกมนุษย์เสียอีกด้วยเราไม่ใช่พวกหน้าตายที่ยิ้มไม่เป็นเอาแต่นั่งหน้าเบืง้งทำท่าทะมึงถึงอยู่ตลอดเวลาดังที่พวกชาวโลกมนุษย์ชอบกะเกณให้พวกเราเป็นเช่นนั้นเลย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 เช่นวิ่งแข่งเป็นต้นก็ไม่มีประโยชน์อีกกล่าวโดยสรุปก็คือพวกเราชาวโลกทิพย์สามารถพักผ่อนหย่อนใจกันได้อย่างสุขสบายแม้โดยการเปลี่ยนงานหรือศึกษาหาความรู้ในขแขนงต่างๆก็ได้ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องที่กล่าวมานี้ในโลกมนุษย์จะกลายเป็นงานซ้อนงานทำให้หนักสมองและร่างกายยิ่งขึ้นไปอีกทีเดียว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 การอธิบายถึงเรื่องนี้จำเป็นจะต้องย้อนไปกล่าวถึงเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าเจ็บหนักและในขณะนั้นกายทิพย์กลังจะพลากจากกายเนื้ออยู่แล้วในขณะที่กายะสังขานอ่อนกาลังลงทุกทีจนจะขาดอยู่แล้วนั้นข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกยังรุนแรงว่าต้องการที่จะลุกขึ้นให้ได้และในขณะต่อมาก็ได้รู้สึกว่า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 โลกทิพย์นี้ควรจะอยู่ทางทิศใดของโลกมนุษย์เป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าการละกายเนื้อเข้าสู่ภาวะอันเป็นทิพย์นี้เป็นกระบวนการที่ละเอียดและสุขุมอย่างยิ่งจนไม่สามารถจะหาจุดปากปันเขตแดนให้แน่นอนได้แต่ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายระลึกถึงความจริงไว้อีกประการหนึ่งว่า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 เมื่อเอ็ดวินได้บอกให้ข้าพเจ้าลืมตาขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าตนกำลังยืนอยู่หน้าบ้านในโลกทิพย์เสียแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้สิ่งแปลกแปล ก, ปลกใหม่มาอีกหลายอย่างดังที่ได้พนันามาบ้างแล้วในบทต้นๆเหล่านั้นในบรรดาความรู้และประสบการณ์ที่ล้วนใหม่และแปลกประหลาดน่าทึ่งอย่างยิ่งนั้นก็คือการเดินทางไปไหนมาไหน ซึ่งไม่ต้องใช้วิธีเดินดังที่เราเคยกระทํากันอยู่ในโลกมนุษย์อาณาเขตของโลกทิพนี้กว้างใหญ่ไพศาลเหลือคณน า, นาบางครั้งเราจําเป็นต้องไปถึงที่ที่ต้องการจะไปได้ทันทีแม้ว่าสถานที่นั้นๆจะอยู่ห่างไกลออกไปเพียงใดก็ตามเราก็สามารถไปถึงได้โดยทันทีเหมือนกันดังเช่นที่พ ร, ระเจ้าได้เคยบรญญายให้ฟังมาแล้วเช่นเดียวกัน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 ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการไปไหนมาไหนของเราแต่อย่างใดเลยเช่นพอเรานึกว่าต้องการจะไปที่นั้นที่นี้จะใกล้หรือไกลเพียงใดก็ตามเราก็นึกให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวไปตามความคิดซึ่งในทันใดนั้นกายอันเป็นทิฟของเราก็จะดําเนินตามเจตนาของเราทันทีอย่างชนิดที่เกือบจะเรียกได้ว่า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 ซึ่งบางท่านได้แบ่งออกเป็นเจ็ดชั้นคือจากชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุดจนถึงชั้นเจ็ดซึ่งเป็นชั้นสูงที่สุดคาว่าต่ำหรือสูงในที่นี้หมายถึงความหยาบหรือประเนีตแห่งจิตใจหรืออีกในหนึ่งหมายถึงวิวัฒนาการทางจิตซึ่งจะสูงขึ้นไปโดยลาดับเหมือนการขึ้นบันไดเจ็ดชั้นฉะนั้นอาาเขตของโลกทิพเหล่านี้อยู่ซ้อนกันเป็นชั้นชั้น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 เราจะไม่รู้สึกเสียด้วยซ้ำว่ามีดวงอาทิตย์อยู่การที่พระเจ้ากล่าวว่าโลกทิพย์เป็นเสมือนวงกลมซ้อนกันอยู่รอบโลกมนุษย์นั้นพอจะมีหลักฐานอนุมานได้จากความจริงที่ว่าเมื่อเวลามีผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปมาเยี่ยมเยียนเราท่านเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ลงมายังภูมิของเราซึ่งหมายความว่าท่านอยู่เหนือเราขึ้นไป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 ก็เพื่อไม่ต้องการให้เห็นความน่าสยดสยองของภูมินี้นั่นเองการที่โลกทิพซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชนรอบโลกมนุษย์โดยมีโลกมนุษย์เป็นเสมือนกับศูนย์กลางนั่นเองอนณาเขตของชาวโลกทิพจึงถูกแบ่งออกตามดินแดนสัญชาติและภาษาของชาวโลกมนุษย์นั้นด้วยด้วยเหตุนี้โลกทิพที่อยู่เหนืออาาเขตของประเทศใดในโลกมนุษย์ ก็มักจะเป็นที่อยู่ของชาวโลกทิพย์ที่เคยเป็นประชาชนของชาตินั้นภาษานั้นเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์หมายความว่าโลกทิพย์ของฝรั่งก็อยู่ในดินแดนของฝรัง่งและโลกทิพย์ของชาติอื่นๆก็อยู่เหนือดินแดนของชาตินั้นนันนั่นเองในเรื่องนี้ถ้าท่านพิจารณาดูถึงความจริงที่ว่าคนเราชอบอยู่ในดินแดนของตนหรือพวกพ้องของตนแล้ว ก็ไม่เป็นที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดเพราะการได้อยู่ร่วมและสมาคมกับบุคคลชาติเดียวกันภาษาเดียวกันมีความโน้มเอียงคล้ายๆกันชอบและไม่ชอบสิ่งเดียวกันนั้นก็ย่อมเป็นความสุขใจอย่างหนึ่งเป็นลักษณะทั้งของชาวโลกมนุษย์และชาวโลกทิพย์อย่างไรก็าตามความจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นมิใช่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์บังคับกันเลยทีเดียวก็หาไม่ เพราะทุกๆคนมีสิทธิเสรีเต็มที่ที่จะเลือกได้ตามชอบใจสุดแล้วแต่จะชอบอยู่หน้าส่วนใดของโลกทิพย์อันเหมาะสมกับภูมิชั้นแห่งจิตของตนเพราะในดินแดนเช่นนี้ไม่มีพรมแดงหรือหลักเขตแบ่งเชื้อชาติหรือประเทศไว้ดังเช่นในโลกมนุษย์ผู้ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่แห่งเดียวกันนั้นก็เป็นด้วยความสมัครใจ ที่ต่างคนต่างเห็นว่าควรที่จะได้อยู่ร่วมกับผู้มีศีลและทิฏฐิเสมอกันเท่านั้นเราสามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนบุคคลเหล่านั้นที่ต่างชาติต่างภาษากับเราได้เสมอและเราจะอยู่กับเขาสมาคมกับเขานานเท่าใดก็ได้เพราะไม่มีเครื่องกีดขวางคือเชื้อชาติภาษาหรือวันนะอันสูงต่ำแต่อย่างใดโดยเฉพาะ ในเรื่องภาษาพูดแล้วไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใดเนื่องจากเราใช้ภาษาของใจจึงไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกมาดังๆการกระทำความเข้าใจระหว่างกันก็เป็นของง่ายๆเพราะเราจะใช้วิธีส่งกระแสะความคิดของเราให้พุ่งตรงไปยังผู้ที่เราจะสนทนาด้วยซึ่งบุคคลผู้นั้นจะเข้าใจความหมายของความคิดของเราได้ทันที และโดยถูกต้องณที่นี้เราพูดกันด้วยภาษาใจอาศัยเหตุดังกล่าวมาแล้วที่ว่าโลกทิพย์ของชาติใดภาษาใดาก็อยู่ใกล้เคียงกับดินแดนของมนุษย์ชาตินันนันภาษานันนั น, นดังนั้นสิ่งแวดล้อมของโลกทิพย์ณที่นันนั น, นก็มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาวะของโลกมนุษย์ในถิ่นนันไปด้วย เรื่องเช่นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองเพราะโลกทิพย์เป็นผลของโลกมนุษย์ตัวอย่างเช่นบ้านของข้าพเจ้าเองในโลกทิพย์นี้โดยลักษณะทั่วไปก็ไม่แตกต่างอะไรกับบ้านของข้าพเจ้าในโลกมนุษย์นักแม้ว่าส่วนปรีกย่อยหรือสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผิดเพี้ยนกันไปบ้างก็ตามภาวะในโลกทิพย์ที่ยังมีการแบ่งแยกดินแดน ตามเชื้อชาติและภาษาของโลกมนุษย์เช่นนี้ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปทุกชั้นภูมิปรากฏตการดังกล่าวนี้จะมีอยู่จนถึงขีดหนึ่งเท่านั้นต่อจากนั้นไปก็จะไม่มีอีกทั้งนี้หมายความว่าเนื้อภูมิดังกล่าวนี้ไปแล้วความรู้สึกในเรื่องสัญชาติและภาษาจะเป็นอันหมดไปโดยสิ้นเชิงในภาวะดังกล่าวนี้แม้ร่างกายภายนอก ของท่านผู้ที่อยู่ในภูมิเช่นนี้จะยังมีแตกต่างกันอยู่บ้างเช่นมีผิวขาวดำเหลืองหรือแดงเป็นต้นก็ตามท่านเหล่านั้นจะไม่มีความรู้สึกในเรื่องสัญชาติหรือภาษาดังเช่นที่เคยเป็นอยู่ในโลกมนุษย์หรือในภูมิแห่งโลกทิพย์ชั้นต่ำต่อไปอีกสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือความบริสุทธิ์แห่งจิตใจซึ่งจะมีมากขึ้นเป็นลาดับ ในภูมิหรือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งของโลกทิพย์นี้ก็มีผู้ปกครองอยู่ท่านหนึ่งเป็นประจำอยู่เสมอไปความจริงข้าพเจ้ารู้สึกว่าการใช้คำว่าผู้ปกครองนี้อาจจะไม่ตรงต่อความจริงนักเพราะโดยเนื้อแท้แล้วเราควรจะเรียกท่านว่าเป็นหัวหน้าอาจจะเหมาะกว่าบรรดาท่านที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าของแต่ละภูมิเหล่านี้ ล้วนเป็นผู้ที่มีระดับจิตใจสูงกว่าภูมิที่ท่านเป็นหัวหน้าอยู่ทั้งสิน้นท่านเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีความรอบรู้ชำนาญเรื่องของโลกทิพย์มาแล้วเป็นอย่างดีและล้วนเป็นผู้ที่ได้อยู่ในโลกนี้มาแล้วเป็นเวลานา น, านทั้งสิน้นบางท่านได้อยู่มาแล้วเป็นเวลานับพันพันปีท่านเหล่านี้นอกจากจะเป็นผู้มีจิตปราณีตและสูงส่งแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในกิจการและสามารถแก้ไขตัดสินปัญหาต่างๆหรือข้อขัดข้องต่างๆได้เป็นอย่างดีท่านเหล่านี้ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะไปหาสนทนาหรือปรึกษาข้อขัดข้องอย่างใดกับท่านก็ได้ทั้งสิน้นไม่มีเรื่องพิธีรีตองหรือยศศักดิ์อย่างเช่นในโลกมนุษย์เลยบางท่านอาจจะสงสัยว่าในภาวะอันเป็นทิพย์เช่นนี้ ยังจะมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างใดอยู่หรือขกษพระเจ้าขอตอบว่ายังมีอยู่เหมือนกันเป็นแต่ว่าม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ยากลำบากหรือวิตกกังวลต่างๆนานาดังเช่นปัญหาของชาวโลกมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นหลังจากที่เกศพระเจ้าได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วและเมื่อได้เห็นความผิดพลาดของตนเองที่ได้เคยกระทาไว้ในโลกมนุษย์ ก็รู้สึกใคร่จะกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดลบล้างความผิดนั้นลงไปบ้างปัญหาก็เกิดขึ้นว่าข้าพเจ้าจะทําได้อย่างไรเมื่อข้าพเจ้านําเรื่องนี้ไปปรึกษาเอดวินเขาก็ได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษาต่อหัวหน้าของเราอีกทีหนึ่งซึ่งผลก็คือว่าจะมีผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมาปรึกษาหารูปทางในเรื่องนี้กับข้าพเจ้า ความแตกต่างระหว่างความสามารถในทางจิตใจของชาวโลกมนุษย์กับชาวโลกทิพย์มีอยู่อีประการหนึ่งคือจิตใจของชาวโลกมนุษย์ซึ่งยังคล่องอยู่กับร่างกายนั้นมีความสามารถอาอยุในขอบเขตจำกัดมากเพราะจิตใจเช่นนั้นต้องทำงานโดยผ่านทางสมองของกายเนื้อส่วนในโลกทิพย์นี้เราไม่มีเครื่องทวงให้หนักและขัดข้องเช่นนั้น จิตใจของเราจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นมากดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาในความทรงจําของเราแล้วเราจะไม่มีวันลืมมันเลยโดยในนี้ความรู้ความชํานาญทุกประการที่เราได้ศึกษาหน้าที่นี้เราจะสามารถจําไว้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆดังนั้นท่านผู้ที่เป็นหัวหน้าของภูมิหนึ่งภูมิหนึ่งนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญกว้างขวางมากจริงๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าโลกทิพย์นี้มีอยู่หลายชั้นด้วยกันนั้นขอให้ท่านระลึกถึงความจริงอีกประการหนึ่งไว้ด้วยว่าผู้ที่อยู่ในภูมิต่ําจะมองไม่เห็นผู้ที่อยู่ในภูมิสูงกว่าตนขึ้นไปเลยแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปจะสามารถมองเห็น ผู้ที่อยู่ในภูมิต่ำทั้งหลายได้โดยตลอดถ้าเราเดินทางไปสู่ภูมิที่ต่ำลงจะเห็นได้ว่าภูมิประเทศโดยรอบด้านเริ่มเสื่อมโทรมชวนให้ใจหดหูลงไปโดยลําดับแต่ถ้าเราเดินทางหันไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นไปภูมิประเทศรอบด้านก็จะมีสภาพตรงกันข้ามกับที่เราได้กล่าวมาแล้วคือเราจะรู้สึกว่า มีอากาศเจือจางลงและสุ ข, ขุมขึ้นเป็นลําดับจนในที่สุดถ้าหากว่าความปราณีตของจิตของเรายังไม่ถึงขั้นถึงชั้นของภูมินั้นแล้วเราจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เลยนี่คือเขตแดงตามธรรมชาติซึ่งแยกภูมิต่างๆออกจากการเป็นชั้นๆ น, นั่นเองหน้าที่นี้ความบางของอากาศจะทําให้เรารู้สึกมีความอึดอัดเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติอันสมควรจะผ่านเข้าไปได้แล้วจะรู้สึกว่าไม่สามารถจะก้าวออกไปข้างหน้าอีกได้เลยสมมติว่ายิ่งพยายามฝื้นความรู้สึกมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งได้รับความอึดอัดจนในที่สุดก็จะถึงขีดที่ทนไม่ได้ตลอดเวลาเหล่านี้มองไปข้างหน้าจะไม่เห็นอะไรเลย นอกจากแสงสว่างอันกล้าเข้าตาจนพลาไปหมดแต่ขั้นเหลียวหลังกลับมามองดูก็ยังคงจะเห็นภาพต่างๆได้ดีในทางวิทยาศาสตร์เราย่อมรู้ว่ามีแสงบางชนิดไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเราและมีเสียงบางชนิดที่หูเราฟังไม่ได้ยินแต่ก็ยังมีอยู่อย่างแท้จริงฉันใด ภูมิแห่งทิพชั้นสูงขึ้นไปก็เป็นเช่นเดียวกันกับเรื่องแสงและเสียงที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเพราะถึงแม้จะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงอย่างไรหากเรามีคุณสมบัติไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถรู้และเห็นได้เลยฉันนั้นเพราะในภูมิที่ยิ่งสูงขึ้นไปเท่าใดก็จะยิ่งมีอัตราความถี่ของการสั่นสะเทือนหรือช่วงคลื่นสูงขึ้นเป็นลาดับการที่ชาวโลกมนุษ ไม่สามารถรู้และเห็นความเป็นไปของชาวโลกทิพย์ได้ก็ดีหรือการที่ผู้อยู่ในโลกทิพย์ชั้นต่ำไม่สามารถรู้และเห็นความเป็นไปของผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ชั้นสูงได้ก็ดีย่อมเป็นเพราะเหตุดังได้กล่าวมาแล้วนี่เอง